พระตรัยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองชื่อมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตมีห้าสิบสูตรสูตรที่หนึ่งถึงสิบเรียกมูลแลปริยายวัคคือวครคที่นํามาด้วยมูลปริยายสูตรพระสูตรที่หนึ่งมูลแลปริยายสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงพระผู้มีพระภาคประทับนโคนไม้สาละใหญ่ ในป่าชื่อสุภคะคือป่าโชคดีใกล้เมืองอุ ก, กัตถาณที่นั้นได้ทรงแสดงเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงคือสัพพะธรรมะปุรปริยายมีใจความสำคัญแบ่งออกเป็นแปดส่วนหรือแปดในเนื่องด้วยปุถุชนคือคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสหนึ่งในเนื่องด้วยพระเสข ค, คือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษา หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีหนึ่งในเนื่องด้วยพระขีณาศพคือพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานสี่ในเนื่องด้วยพระศาสดา ส, ดาสองในเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องแท้ๆก็มีเพียงสี่ประเภทหนึ่งอุทุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมรู้ตามสัญชานาติคือย่อมรู้ตามความจำถึงสิ่งต่างๆแล้วยึดถือว่าเป็นของเราเพราะไม่ได้กำหนดรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งนั้นๆนี้เป็นกำหนดภูมิปุทุชนในที่หนึ่งคำว่าสิ่งต่างๆเป็นคำรวบรัฐในบาลีแสดงไว้ถึง21่อ็ดอย่างมีดินเป็นต้นมีนิพพานเป็นที่สุด2ภิกษุ ผู้เป็นเสขะอภิชานาติคือรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆเพลาการยึดถือว่าเป็นของเราเพราะสิ่งนั้นๆพระเสขะควรกาหนดรู้ได้นี้เป็นกำหนดภูมิพระเสขะในที่สองสำหรับคำว่าเพลาการยึดถือคือการยึดถือเหมือนกันแต่เพลากว่าปุตตชนแต่ไม่ถึงกับละได้เหมือนพระอรหันต์ 3. ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีนาศบรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆย่อมไม่ถือว่าเป็นของเรา 3.1. เพราะกำหนดรู้สิ่งนั้นๆแล้ว 3.2. เพราะสิ้นราคะความกำหนัดยินดี 3.3. ส, สเพราะสิ้นโทสะความคิดประทุษร้าย 3.4. เพราะสิ้นโมหะความหลง นี้เป็นกำหนดภูมิพระขีนาศบในที่สามสี่ห้าและหกสพระศาสดารู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะกำหนดรู้สิ่งนั้นๆแล้วเพราะสิ้นปัญหาด้วยประการทั้งปวงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว นี้เป็นกำหนดภูมิพระสัสดาในที่เจดและ8ปดพระสูตรที่ 2. สองสภาสวะสังวรสูตรสูตรว่าด้วยการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิดพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามของอนาถาปินธิกะคารหาบดีใกล้กรุงสาวัตถี ตรัสเทศนาเรื่องการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิดมีเจ็ดหลักการใหญ่คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยหนึ่งการเห็น 2. การสำรวมระวัง 3. การสองเสพสการอดทน 5. การงดเว้น 6. การบันเทา 7. การอบรม